ตียาถาพลังกันอยู่เนี่ยจะทําในใจอยู่ปฏิบัติตามใจตามอยู่เนะตามกําลังเนาะมันต้องเปลี่ยนใหม่หเต็มกําลังนี่ไม่ได้ตามกําลังแท้ที่จริงท่านบอกว่าให้เจริญสตินั้นให้เป็นสติพละในศัพท์ท่านนี่ย น, นี่ท่านแปลเต็มที่ของท่านแล้วไงใชเอาสตินะให้เป็นสติพละใช่ไหม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 มีกำลังมากเราจะได้ไม่จะได้มีทอดถอนธุระใช่ไหมจะได้ไม่ทอดธุระรเขาเรียกทอดธุระเข้าใจคำว่าทอดธุระไหมทอดธุระก็แปลว่าไม่ทำศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นพลังเขาเรียกทอดทอดทิ้งเหมือนเหมือนว่ทอดกริ่นนะ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 แต่ยังไม่อดทุนละไอ้ใช่มันถูกใช่ไหมไอ้มามองเห็นศาสต์พวกนี้มาใช่ไมไอ้มาเข้าใจ่ในความรู้สึกไอ้มาเข้าใจบานทีก็ออืขนเข้าใจอย่างนี้เสียหายกันเยอะแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็บอกก็นี่เป็นเหตุเป็นความวิจิตของกรรมเนาะ้องคิดดูถ้ากรรมวิจิตอนะกรรมวิจิตตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตเนาะสัญญาวิจิตตัณหาวิจิตตัณหาวิจิตก็กรรมก็วิจิตเพราะกรรมวิจิตก็การกระทําวิจิตเนาะ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 ถ้ามีโรงงานเก็บได้นะเป็นโรงงานมือมาใหญ่กว่าคุณเขาสินเนลุนั่นคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนภูกษัตริย์ของแต่ละคนใหญ่กว่าภูเขาสินเอลุใหญ่กว่าก็คือสรุปแล้วก็คือใหญ่กว่าดาวใหญ่กว่าโลกใบนี้ชิ้นส่วนที่เก็บกันไว้เนี่ยนะเพราะในสังสารวัตรนี่ทำมานานจัด